อีกปัญหาหนึ่งเอาให้จบเลยว่าธรรมเทศนายะอปโปสุกะปัญหาพระเจ้ามิลินก็กราบเรียนพระนาเกษนว่าพระคุณเจ้านาคเกษนพวกท่านกล่าวกันว่าพระตถาคตทรงใช้เวลาในระหว่าง สี่อสงไขยอีกแสนกับบ่มพระสัพพัญยุตยานนะโบทเป็นเครื่องบ่มนะก็คือบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัตถปรมี10บ ม, ม, มหาบริจากหอธิฐานธรรม4ี่เป็นต้นเนี่ยบ่มโพธิญาณตลอดสี่อสงไขยแสนกับเมื่อได้โพธิญาณนะจะโปรดชนหมู่ใหญ่ให้ข้ามโอคะเนี่ยนะนะให้ข้ามวัตะ อันนี้อันนี้ที่หนึ่งนะแหมกล่าวกันบ่อยเหลือเกินตรงนี้และยังกล่าวไว้อีกว่าอันนี้ก็กล่าวอีกแล้วที่ด้วยกันว่าเมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสัปดาห์ที่8ดก็ทรงน้อมพระไทยไปเพื่อขวนขวายน้อยนะสัปดาห์ที่8ดนั่งอยู่ที่โคนต้นอชรปาลอชปาลนิโคตรโคนต้นไทรนะพระองค์ก็ขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายเพื่อจะแสดงธรรม ทีนี้ก็เพื่อจะให้ความเห็นของตัวเองหนักแน่นก็ต้องอุปอามาซะหน่อยว่าพระคุณเจ้าเปรียบเหมือนว่านายขมังธนูหรือลูกศิษย์ของนายขมังธนูเนี่ยได้ซ้อมวิธีการยิงธนูเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่การสงครามมาตลอดหลายวันแต่เมื่อการรบครั้งใหญ่มาก็ถึงกลับท้อแท้ใจไปเสียเลยนซ้อมมาอย่างดีถึงวันสงครามเนี่ยทนะ้อใจเลยนะพระคุณเจ้าน่าเกษร พระตถาคตทรงใช้เวลาตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนกับบ่มพระสัพพัญยุตยานเพื่อโปรดหมู่ชนใหญ่แต่พอพระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วก็ทรงกลับท้อแท้พระไทยในอันจะแสดงธรรมไปเสียฉะนั้นปัญหาอันนี้เนี่ยนะก่อนที่เขามาอ่านมิลินทปัญหาเขามาก็สงสัยสงสัยเอ๊ว่ากรุณาอยากจะช่วยสงเคราะห์สัตว์พอบรรลุแล้วทาไมจึงไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรม ไอ้ความสงสัยก็เก็บไว้ในะอัตกถาก็ไม่ยอมอ่านก็เที่ยวมีใครพอทำท่าจะตอบได้บ้างก็ถามรับเขาก็ตอบไม่ได้อีกนะเสร็จแล้วอ้าวคำตอบก็มีอยู่ในอัตกถาที่ไปดูมาทั้งไกลเลยนะก็ก็ปัญหาความคิดแบบนี้พงว่ามีกรูณามากนะพอถึงเวลาทำไมอพอพอสัปดาห์ที่แปดทำไมไม่น้อมไปเพื่อแสดงความก็เคยสงสัยคล้ายกับพระเจ้ามิลินนี่แหละ แล้วก็อีกอประมาณหนึ่งนะเพื่อให้หนักแน่นยิ่งกว่าเดิมบอกเปรียบเหมือนว่าพวกนักมวยหรือลูกศิษย์ของนักมวยซ้อมการชกต่อยตลอดเวลาหลายวันแต่เมื่อการชกมวยมาถึงก็กลับท้อแท้ใจไปเสียฉันใดพระคุณเจ้าหน้าเกษณ์พระตถาคตทรงใช้เวลาในระหว่างสี่อสงไขยกับอีกแสนกับนี้บมพระสัพพัญยุตยานเพื่อโปรดหมูชนหมูใหญ่ แต่พอพระองค์ทรงมรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วก็กลับทรงท้อแท้พระไทยในอันจะแสดงธรรมไปเสียนะได้ทีขี่ช้างไล่เลยนะบอกว่าเนี่ยเขาย้ำอีกนะว่าพระคุณเจ้าพระถาคตทรงแท้พระไทยพระทรงกลัวหรอกหรือนะเนบใหญ่เลยหรือว่าทรงแท้พระไทยเพราะไม่ป ร, นะนะ ร, ร ะ, ระสงค์จะปรากฏตัวเนี่ยนะไม่อยากจะโชว์หรือยังไงเหมือนกันะหรือว่าทรงท้อพระไทยเพราะทรงอ่อนแอหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยนะ เป็นคนไม่แข <or, S 1> ็งแรงอะไรเลยหรือว่าทรงทอแท้พระไทยเพราะทรงหาความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ไม่ได้เล่าหรือว่าไม่รู้จริงนะหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าจริงเหตุผลในเรื่องนี้นั้นน่ะคืออะไรเป็นยังไงกันแน่นะคิดแล้วก็คิดไม่ตกวัานั้เถอะขอเชิญท่านจงบอกเหตุผลเพื่อข้ามความสงสัยเถิด พระคุณเจ้าถ้าหากว่าพระถาคตทรงใช้เวลามาระหว่างเสียสงไขยกับอีกแสนกับบ่มพระสัพพัญยุตยานเพื่อโปรดหมู่ชนใหญ่จริงถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าทรงบรรลุสัพพัญยุตยานแล้วน้อมพระถ่ยเพื่อขวนขวายน้อยไม่ไม่ใช่ขวนขวายที่จะแสดงคําถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะ ถ้าหากว่าเมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วก็ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายเพื่อจะแสดงธรรมอย่างนี้ถ้าจริงนะอย่างนั้นไอคําที่บอกว่าพระตถาคตใช้เวลาระหว่างสี่อสงไข์กับอีกแสนกับบ่มพระสัพพัญญุตยานเพื่อโปรดชนหมู่ใหญ่นี้ก็ไม่ถูกต้องปัญหานี้ลึกซึ้งนะจอมรับนะเออเรื่องนี้ลึกมากยากคลี่คลายได้ยากแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อน ตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดจารนี้นี่ท่าแก้เองจะแก่ว่าอย่างไงเนี่ยไม่รู้ว่าจะยิ่งสาวยิ่งพันหนักเข้าไปอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่พระนาคเสนก็ก็เป็นผู้มีบุญเนี่ยนะมผู้มีบุญสั่งสมปัญญาพระเจ้ามีลินก็เหมือนกับคลื่นในทะเลถึงใจจะละลอกใหญ่ขนาดไหนพระนาคเสนก็เหมือนกับฝั่งน่ยนะที่รับได้หมดฉะนั้นพระนาคเสนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพีธ พระธัชคดทรงใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกับบ่มพระสัพพัญยุตยานเพื่อโปรดชนมูใหญ่ก็จริงและเมื่อพระองค์บรรลุสัพพัญยุตยานแล้วน้อมขวนขวายเพื่อจะขวนขวายน้อยไม่ใช่ขวนขวายเพื่อจะแสดงธรรมอันนี้ก็จริงทุกต้องทั้งสองอย่างแต่ว่าข้อที่ทรงขวนขวายน้อมข้ออะไรข้อที่ทรงน้อมพระทัยเพื่อขวนขวายน้อยไม่ใช่ขวนขวายเพื่อจะแสดงธรรมนั้นน่ะ มีเหตุผลเพราะว่าทรงเห็นความลึกซึ้งละเอียดอ่อนเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสุขุมแทงตลอดได้ยากแห่งพระธรรมคือโลกุตระธรรมเนี่ยนะเป็นของลึกซึ้งโลกุตระธรรมเป็นของละเอียดอ่อนโลกุตระธรรมเนี่ยเห็นยากโลกุตระธรรมเนี่รู้ได้ยากโลกุตระธรรมเนี่ยสุขุมและก็แทงตลอดได้ยากปฏิเวทเนี่ยนะแทงตลอดได้ยากทุกจะแทงตลอดด้วยปริญญาก็ยาก สมูไทยจะแทงตลอดด้วยการลักก็ยากนิโรธจะแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งก็ยากอาิยมรักษ์ที่จะแทงตลอดด้วยการเจริญก็ยากสรุปว่าการแทงตลอดอริยสัตว์การบรรลุโลกุตรธรรมเป็นของยากและอะไรและอีกที่ประเด็นสำคัญก็คือพวกสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในอาลัยคือรูปเสียงเปลี่ยนรสและโผฏฐะทั้งหลาย เป็นผู้เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพยึดถือสกการะทีท่ิอย่างมั่นคงยึดถืออัตตานี่แข็งแรงมากยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอย่างจริงจังเต็มที่เลยแหละอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ปริวิตกขึ้นมาว่าเราจะทําอย่างไรดีเราจะทําอย่างไรดีก็คือคําว่าทรงขวนขวายขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายไปเพื่อแสดงธรรมอ่ะไอ้คําว่าขวนขวายตัวนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าท้อ ท้อใจด้วยอำนาจแบบคนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงหมดพลังอ่อนแอไม่รู้จริงไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคิดวิธีการจะช่วยเขาอย่างไรจะทำอย่างไรจะช่วยเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ทำให้พระองค์ขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายเพื่อจะแสดงธรรมแต่ไอคำว่านี้มันหมายความว่าวิธีการจะช่วยเขาอย่างไรจะช่วยเขาอย่างไรทำก็ลึกซึ้งเขาก็มีใจเป็นอื่น ทำก็ลึกซึ้งและเขามีใจด้วยเห็นด้วยก็ค่อยยังช่วยใช่ไหมเขาก็มีใจเป็นอื่นไปหมดแล้วเป็นของใครเป็นของรูปเสียงกลี่ยนรสโปรตพะเขาติดในรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะทำมากกว่าลึกซึ้งนะเห็นก็ยากซ้อนก็ยากเข้าใจก็ยากเขาก็ติดแต่รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะไม่รู้จะไปบอกกันว่ายังไงมันทํำยังไงดีทํำยังไงดีอันนี้แหละที่ใช้คําว่าน้อมพระไทยเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงคำข้อนี้จัดจัดว่า เป็นใจที่คิดคํานึงถึงการแทงตลอดธรำของสัตว์ทั้งหลายว่าเขาจะแทงตลอดทุกด้วยการกําหนดรู้ด้วยอริยมรรคได้อย่างไรแทงตลอดสมุทัยด้วยการละเนี่ยนะกิจอันนี้ทําด้วยอริยมรรคได้อย่างไรแทงตลอดพระนิพพานด้วยอริยมรรคเนี่ยนะเขาจะเจริญอริยมรรคได้อย่างไรเมื่อเขาติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภากาันขนาดนั้นเนี่ยนะซึ่งเจริญก็เจริญยากเท่ากับอะไรนะใครเคยเห็นคนติด ติดอะไรสักอย่างแนละ้วไปดึงแค่ดึงเขาออกมานะนะยังยากเลยนะยากจริงๆเลยว่างั้นแต่เช่นคนติดสุราเนี่ยไปดึงออกก็ายากคนติดการพนันไปดึงออกก็ายากหรือว่าคนไปติดใจในเรื่องอะไรสักอย่างเนะีนะ่ยดึงออกยากหมดเลยไอ้แค่ดึงออกอยังยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงบรรลุพระนิพพานที่มันเหมือนกับว่าทางนี้ไกลนักแลเนี่ยนะนึกนึกยากนะเนะ เปรียบเหมือนว่าหมอผ่าตัดเข้าไปหาคนผู้ถูกโรคล้าอย่างบีบคั้นแล้วหมอนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าจะใช้วิธีรักษาอย่างไรได้เนอะแมมันป่วยหนักเหลือกเกินอาการขนาดนี้มันจะรักษาอย่างไรดีเนี่ยจะรักษาอย่างไรดีเนี่ยนะจะใช้ยาอะไรเล่าเนอคนผู้นี้จึงจะหายเจ็บป่วยฉันใดขอถวายพระพรพระตถาคตทรงเล็งเห็นชนผู้ถูกโรคคือกิเลส ท, ทั้งปวงบีบคั้น นะป่วยหนักมากเลยนะราคาก็หนักนะสาหาัสโทสะก็เอาเรื่องเอาราวเนี่ยนะสกิดไม่ได้เลยโมหะก็แม้อวิชาท่วมทับขนาดนี้มาแล้วก็เล็งเห็นธรรมะเนี่ยเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสุคุมแทงตลอดด้วยปริญญาปหาณนะสัจฉิกิริยาภาวนาได้ยากแห่งพระธรรม คือโลกุตระธรรมเนี่ยนะพระองค์ก็เลยด âm ฤิว่าเราจะทำอย่างไรดีเนาะเราจะทำอย่างไรดีเนาะแล้วก็น้อมพระไทยเพื่อขวนขวายน้อยอ น, นะไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมฉะนั้นเหมือนกันข้อนี้จัดเป็นพระไทยที่คํหนึ่งถึงการแทงตลอดธรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าเขานี่แทงตลอดยากบรรลุยากว่านั้นนะยากหรือไม่ยากบางคนเนี่ยนะก็หยตั้งหลายปีนะบางคนเนี่ยทรงพระทวีดกเนี่ยนะ ปฏิบัติ30ปีจึงได้บรรลุก็มีบางคนเนี่ยโน่นน่ะปางปรินิพานเน่ยนะแต่อย่างที่เราเรียนจริงๆไอ้ที่บรรลุเร็วๆนั่งปั๊บก็ บ, บรุลุปุ๊บเนี่ยนะนี่ยมีไม่กี่องค์หรอกไปที่ไหนก็อ้างพระพายยะอ้างพระพายยะพระที่ไปนั่งหลังน้ําตาก็ไม่ค่อยยกเอามาพูดกันน่ยนะไปหลังน้ําตา ใ, ในป่าช้าเป็นต้น น, นันกว่าจะได้บรรลุบางองค์เนี่ยยีปีเนี่ยจน25ปีไม่ได้บรรลุร้องไห้เลย ร้องให้เลยนะจนเรียกว่าตอนหลังจึงได้บรรลุ25ปีกิเลสกลุ่มรุมมาตลอดเลยไม่เคยสงบใจแม้ชั่วสิดเดี๋ยวก็ไม่มีเลยพระเถรีบางองค์ก็เหมือนกันไอ้พระเภทนี้เราไม่ค่อยมาโฆษณากันนะเอาอะไรเอานางวิสาขามาโฆษณาแบบพวกเพศแสนกลับมาทางนั้นนะพระพาหิยะทารุจริยะคนพระราหุลเป็นต้นเนี่ยเท่าไหร่พระราหุลสิบสองปนะจึงเป็นท่าหันไม่ค่อยเอามาพูด รัฐบาลสิบสองปีเป็นต้นะจะเอาจากแบบประเภทติ้งง่ายๆเนี่ย น, นนะเอาประเภทนั้นแหะมาเป็นตัวอย่างเมื่อไหร่เราจะได้แบบนั้นบ้างเมื่อไหร่เราจะได้แบบนั้นบ้างเนี่ยนะอันนี้เอกในหนึ่งนะเปรียบเทียบว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าขติยะราชาผู้ทรงได้มูรธาพิเศษพระราชาที่อภิเศกเนี่ย น, นะ เห็นชนทั้งหลายคือคนเฝ้าประตูทหารยามชาวบริษัทชาวนิคมลูกจ้างไพร่พลอมาตรคุนนางข้าราชการพอเห็นคนเหล่านั้นเสร็จแล้วผมก็คิดอย่างนี้ว่าเราจะทำอย่างไรดีเนาะเราจะทำอย่างไรดีนหนอคือจะหาทางช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยนะช่วยทหารยามได้ยังไงช่วยบริษัทยังไงช่วยชาวบ้านช่วยลูกจ้างไพร่พลอมัดพวกุนางเนี่ยนะจะ จัดการยังไงบริหารยังไงกับพวกเขาเหล่านั้นดีให้เขาได้รับพวกข้าศัพย์เป็นต้นเนี่ยน ะ, จะเจริญด้วยโภกข้ัพย์เป็นต้นจะทําอย่างไรดีพระราชาคิดฉันใดขอถวายพระพรพร ะ, ะธาคตทรงเล็งเห็นความลึกซึ้งความะนะความลึกซึ้งของโลกุตระธรรมความละเอียดอ่อนแห่งโลกุตระธรรมความเห็นได้ยากของโลกุตระธรรมรู้ตามได้ยากแห่งโลกุตระธรรมสุขุมแทงตลอดได้ยากแห่งพระธรรมเนี่ยนะยากหรือไม่ยากกระถามผู้การดูกันแล้วกัน นะอันนี้นี้ประเด็นที่หนึ่งพระธรรมนี่โลกุตรธรรมเนี่ยยากอย่างต่อไปบอกเล็งเห็นความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในอะไรเนี่ยนะ ยินดีในอะไรยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะที่น่าปรารถนายึดถือในส ก, กายทิฐิด้วยอำนาจอัตตาของเราเนี่ยอย่างมั่นคงนักแล้วทำให้พระองค์เกิดปริวิตรกว่าเราจะทำอย่างไรดีเนาะเราจะทำอย่างไรดีเนาะก็ส่งน้อมพระทัยเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมฉะนั้นเหมือนการข้อนี้จัดว่าเป็นพระทัยที่คิดกำหนึงถึงการแทงตลอดธรรมของสัตว์ทั้งหลายคือนึกว่า มันก็เหมือนกับว่าจะเอาโลกุตระมักไปใส่ในใจเขาได้อย่างไรนะฮะเอาโลกุตระมักเนี่ยไปใส่ไว้ในใจเขาเขาได้อย่างไรเนี่ยนะใจของเขายินดีในรูปขนาดนั้นถ้าเขาไม่โอนไปหานิพทรีมันมันลุไม่ได้อะอารยมักเกิดไม่ได้แล้วจะช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยนะนั่นแหละเสร็จแล้วอีกอุ ป, ปมาอ่าเนียในที่หนึ่งก็คือเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความที่สัตว์ยินดีในอะไรอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง อนนะั้อข้ อ, ข อ, ขอที่ยกทําให้พระองค์ขวนขวายน้อยส่วนในที่สองขอถวายพระพรธรรมดาสําหรับพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เนี่ยนะต้องพรมจะต้องทูลขอร้องให้แสดงธรรมเป็นเรื่องธรรมดาว่าพรมต้องอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไปอ่านในพุทธวงศ์จะเห็นเลยว่าพรมอาราธนาให้แสดงธรรมในข้อที่ว่านั้นมีเหตุผลอะไรอยู่เล่าทําไมต้องคอยให้พรมอาราธนา ทั้งๆ ท, ท, ที่พระองค์ก็มีใจกรุณาอยู่แล้วนะทำไมต้องคอยให้พรมาราธนาก็เพราะว่าในสมัยนั้นยุคนั้นคนทั่วไปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกสมณะพวกพราหมล้วนแต่เป็นผู้เทิดทูนพระพรมเขารบพรมนับถือพรมไว้เบื้องหน้าคือเขามีพรมเป็นสารณะอยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าจะมาชิงตำแหน่งสารณะยังไงก็ต้องให้พรมนี่มาเป็นผู้อาราธนา เพราะเหตุที่พรหมทูลขอร้องให้พระองค์ทรงแสดงธรรมนั่นแหละชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาก็จักนบน้อมปลงใจเชื่อน้อมใจเชื่อด้วยความโนบน้อมต่อพระตถาคตผู้มีพลานุภาพมีอิสระยศผู้มีญาณมีปัญญาผู้ยอดเยี่ยมสูงส่งพระองค์นั้นนะขอถวายพระพรพรหมทูลขอร้องให้พระตถาคตแสดงธรรมด้วยเหตุผลดังกล่าวมากันนี้ถ้าพระองค์ไม่ปรารถบแบบนั้นพรหมก็ไม่มา ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าพระราชาหรือราชอามาตย์ของพระราชาบางคนย่อมนอบน้อมกระทำความยำเกรงต่อ บ, บุคคลใดมูชนที่เหลือก็ย่อมนอบน้อมกระทำความยำเกรงด้วยความนอบน้อมต่อ บ, บุคคลที่มีลาระนุภาพยิ่งกว่าผู้นั้นชั้นนั้นก็หมาว่าพระราชาเคารพผู้ใดคนอื่นก็เคารพตาม พระราชาขอถวายพระพรเมื่อพระพรหมนอบน้อมชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาก็จักนอบน้อมต่อพระตถาคตฉะ น, นั้นเหมือนกันขอถวายพระพรชาวโลกย่อมเป็นผู้บูชาผู้ที่พระพรหมบูชาต้องแบบต้องถ้าจะนับถือต้องนับถืออาจารย์พรหมอีกทีถ้าถ้าไม่ใช่ระดับอาจารย์ของพรหมพรหมมาขอร้องไม่นับถืออย่างเงี้ยนะคนประเภทนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเหม่กันนะอย่างใครอะแม่ภาษาริบุตรใช่ไหม แม่ภาษารีบุดูพระพุทธเจ้ า, าศาสดาของลูกเหนือกว่าพระพรหมของแม่หรือใช่ก็เลยนับถือเลยนะนั่นแหะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เอานะแล้วก็ใช้เวลาตั้งนานเพราะฉะนั้นพระพรหมนั่นแหละจึงต้องทูลขอร้องพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เพื่อให้ทรงแสดงธรรมซึ่งก็เพราะเหตุ น, นั่นแหละพระพรหมจึงทูลขอร้องพระตถาคตเจ้าให้สแสดงธรรม สาธุดีจริงพระคุณเจ้านาเกษรท่านคลี่คลายปัญหาได้ดีแล้วเป็นคำกล่าวเฉลยที่งดงามยิ่งข้าพระเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมานี้นะสรุปว่าเห็นด้วยพิเศษในหน้า438บอกว่าคำว่าธรรมดาสำหรับพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เนี่ยนะ พรมจะต้องทูลขอร้องให้แสดงธรรมเป็นต้นอธิบายว่าเป็นธรรมดาว่าท้ามหาพรมครั้นทรงทราบข้อปริวิตกข้อนี้ของพระองค์ที่บอกว่าพระธรรมเป็นของลึกซึ้งสัตว์ยินดีในอะไรควรขวขวายน้อยในการแสดงธรรมน่นะ พรมก็เลยคิดว่าโลกจะพินาศแล้วเนาะท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะพินาศแล้วเนาะท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยในข้อที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระไทน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่ใช่เพื่อแสดงธรรมเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องละจากพร ม, มโลกไปทูลขอร้องพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงแสดงธรรม พรหมนั้นเมื่อดำเล็งอย่างนี้แล้วก็เสด็จจากพรหมมาโลกเข้าไปทูลขอร้องพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แสดงธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยอมรับทูลขอร้องของท่านเท้ามหาพรหมต่อจากนั้นก็เสด็จจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมชาวโลกซึ่งส่วนมากเป็นผู้เทิดทูลพระพรหมครั้นเห็นว่าแม้แต่พระพรหมซึ่งเป็นผู้ประเสริฐสุดก็ยังเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม ยังมีความนอบน้อมในพระตถ า, าคตดังนี้แล้วก็เป็นผู้ตั้งใจฟังธรรม น, นะตั้งใจฟังธรรมอย่างเคารพในข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้นนั่นแหละพระศาสนาคือศีกขาสามก็จะตั้งมั่นภัยบุญแผ่ภั ย, ยสารต่อไปได้ แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงประสงค์ความเป็นไปอันเป็นธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่การก่อนทุกพระองค์ดังกล่าวนี่แหละเป็นประการหนึ่งด้วยอั น, นเป็นเหตุผลที่ทำให้น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่ได้น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมนี่นะ